การบรรยายครั้งนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องอนาปานสติหมวดที่สองคือเวทนานุปัสนา <c oughs> <c oughs> มีความต่างจากหมวดที่หนึ่ง โดยใจความแล้วก็คือว่าไม่นั่งเป่านกหวีดอยู่ทุกลมหายใจอีกแล้วจะกลายมาเป็นเรื่องรู้สึกต่อเวทนาอยู่ทุกลมหายใจโดยใจความต่างกันอย่างนี้ คนละเรื่องคนละแบบทั้งที่มันว่าติดต่อกันไปเนี่ยจะเรียกว่าคนละโลกก็ได้ <c oughs> ที่แรกก็อยู่ด้วยความรู้สึกต่อลมหายใจหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ทุกลมหายใจเดี๋ยวนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นเวทนา ทุกครั้งที่หายใจศึกษาเวทนาจนรู้เรื่องเวทนาถึงที่สุดแก้ปัญหาทุกอย่างได้ <c oughs> ตอนแรกนี่ขอทำความแนะนำให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเวทนา <c oughs> กันซะก่อ <c> น <oughs> ทุกคนเป็นธาตุของเวทนาโดยไม่รู้สึกตัวนุกสาธารณงานเหนื่อไล้ใครย่อยรวบรวมทรัพสมบัติรวบรวมนั่นนี่ก็เพื่อเวทนาที่ตัวต้องการเวทนาชนิดไหนอร่อยตรงตามที่ตัวต้องการมันก็เวทนาชนิดนั่นแหละ คนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีแม้แต่ต้นไม้ตนันไม้ด้วยก็ได้จะเริงอกงามกไปเพื่อเวทนาที่มันต้องการนี่อย่าทำเล่นกับเวทนามันมีความหมายร่วมกันกับตัญหาคือมันใสหัวคนไม่ทำอะไรก็ได้ ตามที่มันต้องการเวทนาอย่างไร <c oughs> <c oughs> เมื่อแท้เนื่อในของสิ่งที่เรียกว่าโลกโลกนี่มันก็คือสิ่งที่เรียกว่าเวทนานั่นแหละถ้าไม่มีเวทนาในโลกคนก็ไม่อยากจะอยู่ในโลก <c oughs> <c oughs> ในโลกนี่เป็นที่เสาะหาเวทนา ต, ตามที่เขาต้องการ <c oughs> เวทนามีอำนาจเหนือมนุษย์มนุษย์อยู่ใต้อำนาจของเวทนาเวทนามันชักนำไป <c oughs> ด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัณหาซึ่งคลอดออกมาจากเวทนานั่นเองอถ้าควบคุมเวทนาได้ มันก็คือควบคุมโลกทั้งหมดได้เพราะว่าสเนเห์รืออัาธะอะไรของโลกมันก็คือเวทนานั่นแหละมันมีค่าอยู่ที่ตรงนั้นแหละทันทีจะไกลไปถึงกับว่าถ้าเราอยู่นอกอำนาจของเวทนาก็คืออยู่นอกอำนาจของพระเจ้า เขาอ้อนวอนพระเจ้ากันเพื่อจะได้สุขเวทนาที่เขาต้องการถ้าเราอยู่เนื้อเวทนาแล้วก็อยู่เนื้อนะพระเจ้ากันได้พระเจ้าไม่มีที่ให้อะไรกับเรา <c oughs> พูดให้ชัดก็ว่าอยู่นอกเหนืออํานาจของการปรุงแต่งให้ไม่เช่นนั้นจะถูกปรุงแต่งให้ดิ้นร น, นขนความ สุดชีวิตจิตใจเพื่อสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเหมือนกับคนหนุ่มสาวสะ ส, สมเงินทองทรัพย์สมบัติมหาศาลเพื่อให้ได้มีพิธีการสมรสอย่างรูรามีเกียรติสุดเท่าที่จะทำได้ดูที่ตรงนั้นก็จะเห็นอำนาจของสิ่งที่เรียกว่าเวทนา ทีนี้ก็จะมาดูการตั้งต้นปฏิบัติอนาปานสติหมวดที่สองก็อย่างที่กล่าวแล้วของตนว่าไม่นั่งเฝ้านกหวีดทุกลมหายใจเขาออกแต่ถึงอย่างนั้นก็ดี ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งต้นมาตั้งแต่การนั่งเป่านกหวีดคือต้องย้อนกลับไปทําหมวดขั้นต้นหมวดต้นมาตามลําดับหมวดต้นขั้นต้นมาตามลําดับตามลําดับจนสุดก็หมวดต้นแล้วจึงจับหมวดถัดมานี่มันเป็นกฎาตายตัวของการปฏิบัติ กรรมฐานโดยเฉพาะอนนาปานสติภาวนะวันนี้เวลานี้จะลงมือปฏิบัติขั้นไหนตอนไหนก็ตามใจเชอแต่แกต้องตั้งต้นลงมือมาตั้ ง, ต ง, ตงแต่อันแรกสุดอีกเรียบเหมือนกับเราเรียนท่องจำเรียนสวดมนต์เรียนอะไรท่องจำทิมมากมายสูตรยาวๆาวียาว่ยปาฏิโมกขันตน พอถึงเวลาท่องจำมันก็ต้องตั้งต้นตั้งแต่ตอนก่อนๆที่จำได้แล้วแหละมาจนถึงไอ้ตอนที่จะเรียนใหม่แล้วก็ตั้งต้นว่าต่อไปทำอย่างนี้ให้มันเชื่อมกันมันเนื่องกันนี่ฉะนั้นตรงจุดนั้นแ่ะเป็นจุดที่ทำให้ลืมไม่ลังเล น, นึกไม่ออกใครจะท่องอะไรท่องนวโกว่าหรือท่องอะไรก็ทำ วันนี้ท่องได้เท่านี้จำได้แล้วพอครุ่งนี้จะท่องต่อไปก็ต้องตั้งต้นมาแต่ต้นนั่นมาถึงเงื่อนสุดแล้วก็ต่อกันไปอย่างนี้ดีที่สุดอแต่คนขี้เกียจเขาไม่ทำอย่างนั้นวันนี้เขาอยากจะท่องตรงไหนก็ท่องตรงนั้นแต่มันก็ไม่เชื่อมไม่เชื่อมเป็นสายเดียวกันอย่างแนบนี้ทำอาณาปานสุดที่นขาจะต้อง ตั้งต้นมาตั้งแต่แรกขัน้นแรกขั้นเป่านกวีดเรกราวไปเดี๋ยวนี้มาถึงขั้นทิฏเวทนาจะจะจะจะกระทาทีิเกียวกับเวทนาขั้นที่สีในหมวดกายานะทำลมหายใจให้สงบะงอับ ก็ลงมีอทำใหม่ทำมาอย่างซ้ำอย่างยํา <c oughs> มาถึงที่สุดแห่งขั้นนี้ทำลมหายใจให้ระ ง, งับกายเนื้อก็อระ ง, งับระบบประสาทก็ระ ง, งับนี่ยทำกายสังขารให้ระ ง, งับการที่ลมหายใจระ ง, งับเนี่ยมันทิ้งอะไรไว้ คิอเกิดความรู้สึกพอใจว่าทำได้ปีติและเป็นสุขหนึง่งถ้าเราทำให้ลมหายใจรังงับได้ในขั้นที่สี่ของหมวดที่หนึ่งมันมีผลปล่อยได้ออกมาเป็นความพอใจคือปีติแล้วก็เป็นความสุข ปีติกับสุขนั่นนะมันตัวเดียวกันแหละแต่ว่าปีตินั่นคือความพอใจที่กําลังตื่นเต้นกําลังเดือดแต่พอความพอใจนั้นหยุดเดือดหยุดตื่นเต้นมันก็สงบระงับก็กลายเป็นความสุขเนีย่ยสังเกตดูเห็นข้อเท็จจริงอันนี้เถอะ ที่เราเรียกว่าปีติปีตินั้นจิตใจมันสันระรัวแล้วมันตื่นเต้นคือความทำได้สําเร็จแต่พอใจพอใจเพราะได้อะไรเพราะมีอะไรเพราะทําอะไรได้ก็ทำถ้ายังตื่นเต้นเดือดพล่านอยู่ก็เป็นปีติเพราะสงบระงับหลงมันก็เป็นความสุขเรียกว่ามันมาสัาเภาลําเดียวกันมันม า, ม า, ม, ามาเรือลําเดียวกัน <c oughs> สิ่งนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติไม่ใช่เราเจตนามันเป็นของมันโดยอัตโนมัติสิ่งที่ทำสำเร็จหรือความสำเร็จนั้นทำให้ดีใจให้พอใจพอใจเพราะทำสำเร็จหรือพอใจเพราะรถเลิศรถใหม่เกิดขึ้นมาก็จะพอใจกันแล้วกัน พอใชกแรกๆนะเรียกว่าปีติมีการสู้ซ่าคือว่ามันเดือดที่กล่าวไว้เป็นตัวอย่างในคำพี่เย มีอาการซราบซาดไปทุกขุมขนมีอาการโคลงเคลงไปจะนั่งไม่ดิดนั่งไม่อยู่นี่ก็วุ่นวายวูบวาบบางทีก็ถึงกับน้ำตาบ้าไหลออกมายังไงก็ไม่รู้นั่นอำนาจของปีติมันรุนแร ง, งนี่ พอเมื่อใดมันสงบลงสงบลงมันก็เป็นความสุขเปลี่ยนชื่อเป็นความสุขเรียกว่ามันมีอาการที่น่ากลัวแต่มันจะเกิดขึ้นมาอย่างไรก็ช่างหัวมันช่างหัวมันดีกว่าอย่าไปตื่นเต้นไปตามมันเนลยเพื่อให้มันระ ง, งับเพื่อให้มัน ยุบลงไปเป็นระงับช่างหัวมันช่างหัวมันเ่าไปรู้สึกประหลาดือเห็นเป็นของวิเศษวิโสแล้วมันก็จะสงบลงเป็นความรู้สึกตามธรรมดา อาจารย์ผู้เฒ่าเขาเล่าให้ฟังว่าการทำกรรมฐานแบบเก่าแบบโบราณที่ทำกันมานั้นนะเขาเห็นปีติเป็นความสำเร็จหรือเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งความสำเร็จอมากกว่าก็พอใจปีติก็มีคำกล่าวสวดบนเป็นคำเชื่อเชิญอาราธนาให้ปีติมาก เรียกว่าพระปีติซะด้วยพระปีติคอยพระปีติองนั้นจงมาคอยพระปีติองนี้จงมาคอยพระปีติองนั้นจงมาก <c oughs> ็รู้ได้ด้วยอาการของพระปีติอาการที่รุนแรงโคลงเคลงมากก็อุเพลงคาอุเพลงคาปีติสาบซ่านไปก็พระพรรณาปีติเป็นพระทั้งนั้น พระปีติน้อยพระปีติใหญ่พระปีติตื้นพระปีติลึกถ้ามีความคิดอย่างนั้นฮะโดยเชื่อปีติน่ะตัวความสำเร็จมันก็ถูกอยู่บ้างเหมือนกันและไม่ใช่ไม่ถูกถ้าทำให้เกิดปีติได้มันก็เป็นความสำเร็จมันจะค่อยๆเลื่อนไปเป็น เ, เรื่องสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วก็พอใจ ปีติลุงหัวจะมาคนหนึ่งเขาก็เคยทำอย่างนี้ก็เคยเล่าให้ฟังกรรมฐานแบบเขานะอยู่ในกุฏเล็กๆยาชันมิดอัดมืดนั่นจิตมันเสียสมดุลมันนึกอะไรได้มันสร้างอะไรได้ด้วยที่ความผิดปกติของอากาศในในใ น, ในกุฏเล็กๆที่ปิดอัด แม้แต่รู้ว่าจะไม่มีแสงสว่างไม่ต้องพูดถึงย่งจิตที่อยู่ในสภาพอย่างนี้มันมันมันมันเปลี่ยนอะไรได้มากน้อมนึกไปเพื่ออะไรได้ประหลาดประหลาดมันช่วยง่ายขึ้นนั่นเองฮะก็พอใจพอใจเมื่อมันมีอาการฟุ้งซ่าน มันก็เป็นปีติต่อมามันก็สงบลงแล้วก็กลายเป็นความสุขสรุปความสั้นๆว่าเมื่อกำลังฟุงฟ้งฟุ้งซ่านเรียกว่าปีติพอมันสงบลงก็เรียกว่าความสุข อนาปานสตรีหมวดที่สองเอาสิ่งนี้คือเวทนาฮอันได้แก่ปีติในสุขนี้เป็นอารมณ์แทนลมหายใจดังนั้นจึงพูดว่าเดี๋ยวนี้ไม่นั่งเป่านักหวีดกําหนดดิ่งแนวแน่อยู่ที่ปีติหสุขอันเกิดขึ้นกําหนดเอาสิ่งนี้เป็นอารมณ์ทําความเป็นอันเดียวกันกับมันจนรู้จักมันเข้าใจมัน จ <c oughs> นกระทั่งว่าจะชนะมันออนอาณาปานาสติขั้นที่หนึ่งของหมวดที่สองหรือจะเรียกว่าขั้นที่ห้าของทั้งหมดก็ตามใจนี่มีบทสูตรว่าปิติปฏิสังเวทีขั้นที่หกมีบทสูตรว่าสุขะปฏิสังเวที ห <c oughs> มายความว่าเรามาทำความรู้เรื่องปีติกันก่อนแล้วจึงไปทำความรู้เรื่องความสุขขั้นที่ห้าปีติปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติต้องเอาปีติตัวจริงมาอยู่ในความรู้สึกไม่ใช่ปีติคาดแคนเนย ถ้าเราเรียนในห้องเรียนก็ปีติอาคคนเอาดกเน่ความสุขขาดกเน่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่วีติขาดกเน่กาหนดขาดกเน่ไม่ใชะต้องเป็นปีติที่กําลังรู้สึกอยู่ในใจรู้สึกอยู่ในใจเอามาจากไหน <c oughs> แล้วแต่อแต่ว่าถ้าอาณาปานสติสมบูรณ์ถูกต้องแล้วมันเอามาจากขั้นที่สี่ สุดท้ายของหมดกายเนี่ยประสบความสำเร็จพอใจพอใจถือเอาให้ดีถือเอาให้ถูกต้องถือเอาให้พอดีเป็นความรู้สึกปีติมาทราบส้านอยู่ก็ได้เอามาใส่ไว้ในความรู้สึกเหมือนกับว่านั่งอาบน้ำปีติ ทุกคนรู้ดีแล้วใช่ไหมว่าอาบน้ำน่นมันเป็นอย่างไรเอาน้ำรดก็ไปเป็นอย่างไรอาบน้ำฝนก็ดีอาบในห้องน้ำก็ดีน้ำมันซึมซาบไปทั่วทุกตัวทุกหนทุกแห่งทัวท่วตัวทุกแห่งไม่เว้นที่ไหนนี่ถ้าอาบน้ำเดี๋ยวนี้เราก็อาบน้ำปีติให้ปีติรู้สึกราบซ้านทั่วถึงอย่างนั่นแหละ เนี่ยจะเรียกว่าปีติปริสังเวทีเอามาเป็นอันเดียกวกับชีวิตเหมือนกับว่าอาบมืนก็ว่าอา บ, า อ, าบอาบน้าปีติขอ้อนี้ปีติปริสังเวทีทีนี้ก็ไม่อาบเล่านะ เหมือนกับว่าเราอาบน้แเราก็รู้สึกเย็น<ฮ>รู้สึกสบายอะไรรู้สึกอะไรหลายหลายอย่างเกี่ยวกับน้าที่มันอาบลงมาเดี <c oughs> ย๋ยวนี้เราอาบน้าปีติเราก็รู้สึกอะไรหลายหลอย่างเกี่ยวกับปีติมันมีธรรมชาติอย่างไรมันมีลักษณะอย่างไรมันมีอาการอย่างไร มันมีอิทธิพลอย่างไรมันมีขอบเขตเท่าไรซึ่งมันบอกกันไม่ได้มันต้องไปอาบก็จริงๆไม่ต้องอะไรมากอะไม่แต่เกลือหรือน้าตาลอะเกลือเค็มน้ำตาลหวานเนียมันบอกกันไม่ได้อะว่าเค็มอย่างไรหวานอย่างไร คนนั้นมันต้องคว้าใส่ปากก็ไปด้วยเกลือเค็มอย่างไรน้ำตาลหวานอย่างไร <c oughs> แม่มันรู้อยู่อย่างนั้นแหละมันยังบอกคนอื่นไม่ได้อกันแหละมันต้อง <c oughs> มีอยู่จริงๆในความรู้สึก <c oughs> เดี๋ยวนี้เราก็อารดอยู่ด้วยปีติ <c oughs> มีธรรมชาติอย่างไร <c oughs> ลักษณะอย่างไร <c oughs> มันสัมผัสกัระบบประสาทอย่างไรมีอาการทำให้เป็นอย่างไรแที่สำคัญนะมันที่สาคัญกว่านั้นคือมันมีอิทธิพลอย่างไรแก่ความรู้สึกแก่ร่างกายน่ารักหรือน่า ก, กลัวหรือน่าสงสัยอลไรก็ว่าแลแต่นะแลแต่ความรู้สึก แต่รู้จักให้ดีๆว่ามันมีอิทธิพลอย่างไรน่เพราะนั่นเป็นใจความหรือเป็นความลับที่จะต้องศึกษาจะต้องจับให้ได้มันมีข้อเขตเท่าไรข้อความในพระคัมภีรก็มีเล่าเรื่องถึงสัตว์จำพวกหนึ่งมีปีติ เป็นพักษาปีติพักขาใ้มันมีปีติเป็นอาหารหมันไม่ต้องกินข้าวกินปลามันเราเลี้ยงชีวิตอยู่ในปีติให้เาเรียกว่าเป็นพรหมนเป็นพรหมชนิดหนึ่งซึ่งคนคุณก็ไม่รู้จักอีกว่าพรหมันเป็นอย่างไรชีวิตที่มีระบบจิตใจ <c oughs> มีชีวิต อยู่ด้วยปีติเป็นอาหารพระพุทธเจ้าก็เคยมีปีติเป็นอาหารไม่ต้องฉั้นข้าวชั้นน้ำเจ็วันอันนี้ก็มีกล่าวถึงในคำพีเหมือนกันนี่ดูอิทธิพลของมันสิข้อความในอัตกาถาหรือในหนังสือที่ยืดยาวไปว่าเจ็ดวันเจ็ดผลเป็นสี่สิบเจ็ดวันไม่ต้องชั้นอาหาร จากปีติให้มีปีติเป็นอาหารที่นี่ทำความคุ้นเคยกับปีติเป็นเกลอกับปีติจะด้วยความมั่นหมายหรือด้วยความจําหรือด้วยความอะไรก็ตามมันเป็นอย่างไรมันทราบสั้นอย่างไรมันจาไว้สนิท นจนถึงกับว่าเรียกมันมาเมื่ อ, อไรก็ได้เราเคยมีปีติในสิ่งใดอย่างไรเราเรียกมันมาอีกก็ได้แต่ว่าข้อนี้มันยิ่งกว่านั้นน่ะมันถึงกับว่าทาให้เกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้อย่างเต็มที่แล้วมาอาบอาบอาบอาบอยู นั่นเดียวนี้การปฏิบัติขั้นที่ห้านี่ก็นั่งอาบอยู่ด้วยปีติซึมซาบในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับปีติจึงได้เรียวกว่า ป, ปีติปฏิสั่งเวทีคนงอคนธรรมดราก็สูญเสียสติสัมปชัญญะหลงไหลไปในทางบวกทางลบอะไรก็ไม่รู้ แต่พระโยโคีที่แท้จริงอ่ะไม่หลงไหลขนาดนั้นะรู้ว่าปีติเป็นอย่างไรปีติเป็นอย่างไรเท่าไรอย่างไรฮะไม่ต้องสูญเสียสติสัมปชัญญะไม่ต้องเป็นบวกเป็นลบอะไรแห่เกี่ยวกับปีตินี่ก็นั่งฝึกดื่มปีติดื่มปีติดูดดื่มในปีติอะ่านี้ อันเดียวกันกันกบจิตใจจนเรียกว่าต่อไปจะเรียกมันมาเมื่อไรก็ได้จะมาแก้ทางทุกร้อนอะไรอย่างไรเมื่อไรก็ได้มีผลไกลไปถึงว่ามันจะรู้สึกพอใจตัวเองเคารพตัวเองพอใจในความเป็นมนุษย์พอใจในการบรรลุธรรมปีจีมันมีขอบเขตขอเบเขตนั่นเอง เรือขอบเขตไปถึงอย่างนั้นขอบเขตไปถึงพรหมโลกขอบเขตไปได้ตลอดที่ชีวิตในอนาคตนี่เรียกว่าขั้นที่ห้าทีนี่พามาถึงขั้นที่หกบทสูตรของมันก็ว่าสุขปะปติสังเวที เมื่อกี้นะ่ะปีติไปสร้างเวทีเดี๋ยวนี้สุขะไปสั้งเวทีอะไรต่างๆก็มาคลายคลายกันกลับเอปีตนะิคือนั่งอาบน้ําความสุขเมือ่อปีติอันฟุ้งซ่านได้ระ ง, งับลงมาเป็นความสุขสงบแล้วก็นั่งอาบน้ําความสุขอยู่ นี่เรียกว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขความสุขนี่จะมีมากมีมากจนึนกว่าลูกเดินไปก็ยังสุขอาบน้ำความสุขอยู่ไปนั่งไปเดินไปยืนไปนอนที่ตรงไหนก็นยังอาบน้ำความสุขอยู่นี่จะคงจะช่วยอธิบายนะความหมายของพระพุทธภาสิต ท, ที่ว่า ได้สมาธิแท้จริงถึงที่สุดแล้วนั่งที่ตรงไหนก็เปนนั่งบนอนาสนทิพย์ไปยืนตรงไหนก็เป็นยืนที่ยืนทิพย์เดินตรงไหนก็เป็นที่เดินทิพย์นอนตรงไหนก็เป็นที่นอนทิพย์ข้าใจว่าหมายถึงอันนี้หมายถึงปีกิเลสสุดที่อาบรุดอยู่เ <c oughs> จา้าความแนบแน่นอันนา เป็นอันปปนาสมาธิเป็นเอกคตาไปด้วยนั้นคงไม่ได้ละถ้าเพียรียาบทแต่ว่าผลของปีติผลของอัปปนาสมาธินี่ยังอยู่เป็นปีติเป็นสุขติดไปเหมือนกับว่าเรารักใครโกรธใครอย่างรุนแรงเราจะไปทำอะไรไปเดินไปนั่งไปนอนไปกินอไอันนั้นก็ยังรู้สึกอยู่ในในจิตใจแ่ละ ค่อยๆเป็นอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้สามารถที่มีปีติและความสุขได้ในทุกๆอิยาบทมีสวรรค์กันที่นี่เดี๋ยวนี้มีความสุขมีความพอใจกันที่นี่ใครอยากได้สวรรค์ทันตาเห็นก็ทำอนาปานสติ ข, ขอนี้เช่นเดียวกับข้อ วีตินก็ต้องสังเกตรู้สึกเป็นทําอันเดียวกันกับความสุขรู้ธรรมชาติทางความสุขลักษณะอาการแหงความสุขอิทธิพลแห่งความสุขขอบเคารพแห่งความสุขก ว, ว้างไกลแค่ไหนรู้จักธรรมชาติของมัน ภาษาบ้านนอกเราเรียกว่ารู้จักกรรพืชของมันถ้าจะรู้จักอะไรให้ดีก็ต้องรู้จักถึงกรรมพืชของมันคานี้แปลาวาอะไรก็ไม่รู้แต่รู้ความหมายให้ดีว่ารู้จักมันหมดลึกซึ้งถึงในต้นตออะไรของมันอดีตอนาคตอะไรของมันรู้หมดอ่ะรู้จักกําพืชของมัน เรารู้จักกาพืชของปีจริรู้จักกาพืชของความสุขเนี่ยต้องการจะควบคุมมันเมื่อพอเกิดขึ้นมาไล่ไปซักซ้อมรับเอาอซักซ้อมซักซ้อมย่ำย่ำย่ำ ย, ยหรืออาบอาบอาบอาบอาบให้มันถึงจิตถึงใจ League ลืมไม่ได้ การปฏิบัติในครั้งนี้จึงนั่นซักซ้อมหรือเพิ่มภูณียปีติเพิ่มภูนความสุขให้อยู่ในที่นั่งเจริญอนาปานสตินั้นจนชํานาญก็เรียกชำนาญทําให้มากทําให้ชํานาญนี่หมายความว่าทําจนอยู่ในอํานาจของเราเรียกมาเมื่อไรก็ได้ ไปอยู่ที่ไหนอยากจะมีปีติสุขขึ้นมาก็เรียกมาได้ทันทีเรียก <c oughs> กำไรนนาปานาสติทันที่ห้าฮะทันทีหกเอามาใช้ทำน้ำอาบเสียพิดกันหน่อยก็จะว่าอาบจิตใจเอไอ้นมม้ำธรรมดานี่มันอาบร่างกาย น้ำปีติสุขนี่มันอาบจิตใจถ้ามันเกิดความเย็นมันก็เย็นทางจิตใจคู่กันกับเย็นทางกายอาบน้ำในตุ่มในนี่เย็นกายอาบปีอาบน้ำปีติสุกนี่มันก็เย็นใจ เมื่อไรก็ได้้วมันเก่งมากมเก่งมากถึงเมื่อไรก็ได้นะเพราะมันซักซ้อมกันไว้มากกัยเป็นเป็นเป็นอันเดียวกันไปเลย <c oughs> ควรจะรู้สึกความลับ <c oughs> อย่างหนึ่งไว้ด้วยว่าใ้ความสุขหรือ ความพอใจอย่างนี้ให้มันเป็นที่ตั้งที่อาศัยนแห่งสิ่งที่เรียกว่านันทินันทิความพอใจจนกลายเป็นถึงจนกลายไปเป็นนันทิราคะนันทิราคะนันทิที่จับกิจจับใจเหนียวแน่นนันทิราคะ จมีพอใจในปีติและสุขเป็นนันทินั่นนันทินั่นแหละคืออุปาทานเลยรู้ไว้เลยว่านันทินั่นแหละคืออุปาทานพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ในตัวตัวภายในบาลีนันทิอุป า, านนะทานนั่นนันทินั่นแหละคืออุปาทานอุปาทานนั่นแหละให้เกิดทุกข์ คือไปนั้นท์นันที่สิ่งใดมันก็ยึดมันในสิ่งนั้นยึดมันในสิ่งใด ม, มันมีความหนักเพราะสิ่งนั้นจนบ้าจนลงไปนี่เราจะรู้เท่าทันปีติรละสุขอย่างมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมา <c oughs> เรามีเงินทองข้าของทรัพย์สมบัติยศศักดิ์บริวารอํานาจวาสนาถ้าเป็นนั้นที่เป็นปารทานแล้วก็เป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นแล้วมันจะมาอยู่บนหัว มันศีรษะด้วยไม่ต้องเป็นถึงอย่างนั้นรู้ว่ามันเป็นเพียงเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องถึงอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ยากอยู่เหมือนกันถ้ามันอร่อยพอใจสุดเวียงแล้วมันมันก็ต้องมีนันทนะีแล้วก็มีปาทานยนะังบอกรู้บอกให้รู้ไว้เป็นการลวงนาว่าความลับมันมีอยู่ในตรงนั้น เี่มันกลายเป็นนันทิหรือเป็นอุปาทานขึ้นมาแล้วมันกลายง่ายที่สุดหรือมันเกิดได้ง่ายที่สุดนี่ต้องรู้ไว้ไม่ใช่มันจะเป็นคุณนะมันจะกลายเป็นโทษขึ้นมานี่ยปิติและความสุขถ้าบ้าถ้าเมาถ้าหลงแล้วก็มันก็ไม่ไหวอ่ะมันจะรายขาดยิ่งกว่าความทุกข์ก็ได้ เรารู้เรื่องดีมาแล้วเกี่ยวกับอุปาทานอ่ะมีอุปาทานยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อย่าไปยึดมัน่นชนิดอุปาทานขึ้นมาพอให้รู้ไวอ้าวทีนี้ก็มาถึงขั้นที่เจ็ดขั้นที่เจ็ดบทสูตรว่าจิตตะสังขาระปฏิสังเวที รู้คร่มเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารจิตตะสังขารคือเครื่องปรุงแต่งจิตจิตในที่นี้เป็นความรู้สึกคิดนึกความรู้สึกคิดนึกมันเป็นไปตามเวทนามีเวทนาอย่างไรความรู้สึกคิดนึกนั่นมันจะไต่เต้าไปตามเวทนา ดังนั้นท่านจึงจัดเวทนาว่าเป็นจิตตสังขารจะเป็นปีติก็ดีเป็นสุขก็ดีหรืออย่างอื่นก็ดีถ้าเป็นเวทนาแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดความคิดไปตามเวทนานั่นฮะบวกก็คิดไปอย่างลบก็คิดไปอย่างนี่เวทนาสุขก็คิดไปอย่างเวทนาทุ ก, ก็คิดไปอย่างเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์ก็โง่ก็สงสยัยมัวหลงอยู่ที่นั่นนะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร มีปัญหาทั้งนั้นเวทนาไม่สุขก็ดีทุกข์ก็ดีทุก ข, ขมาสุขก็ดีถ้าไม่เกิดความคิดกลุ้มขึ้นมาเรียกว่าจิตตะสังขาร น, นี่เรียกว่า